ก่อนจะมาทานถีนให้ทำจิตทาใจสักสองนาทีที่พระพุทธเจ้าตรัดว่าทานถีนนั้นเป็นเครื่องหนึ่งของบุญแต่ภาวนานี้เป็นตัวถดยอดดีที่สุดเหมือนคนรีบน้ำนมโคจับมือเอามือไปจับจ้าวนมโคแล้วก็รีดลงมา จำใจให้สงบชั่วบดมโคจำใจให้สงบชั่วหูแลบลิ้นจำใจให้สงบชื่วจางกระดิกหูให้สงบใจสักสองนาทีแล้วจะมาจานศีลทีนี้นี่คืออะไรราศีนี่หมายเป็นศีหน้า คนมีศีหน้าหน้าตาดีผิวพรรณดีอายุยืนราศีขคนเกิดมาต้อรับดาศีหน้าไม่กล้าดักไม่รักแับไม่จิตในกางแล้วก็ไม่พูดเล่นจะไม่พูดไม่ลืกมถึงเว่าสเวลาอายุอาณาประมาณนี้ต้องไหว้การสวดมนต์กหนั่งกรรมฐานต้องเจริญภาวนาหมดอย่างที่นี่ทํากันเนี่ยเน่ยกระทำถูกใจรู้ไม่รู้เลยทําถูก สถ า, า, านีใหญ่อลังการแต่ว่าเป็นสถานที่อบรมจิตของคนเรียกว่าใครเหลือต้อนใจมาไหว้ครานั่งกรรมฐานก็ได้เพตอนนั่งกรรมฐานนี่ทำมาอยู่ว่าออกใจมันเย็นเราราศีอตอนเที่ยงของชีวิตคือคนกลางคนนี่ก็ต้องแก้มแข็งในการนั่งกาหนดพุโตกําหนดนี้ได้พุทโเราไม่ใจเท่า ที่ตรงนี้จัดไว้นีมาหลายปีแล้วคนตัวได้ยินใกล้ยินก็มานั่งกรรมฐานก็จะเดินภาวนานับว่าเป็นศีลมงคลอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนใจพอ้อนวุ่นวายเรื่องหลายอย่างมีทุกทนั่นงทุกนี้ตรงนี้เป็นที่จับทุกมันที่เครื่อง บ, บินเราก็ตั้งสถานที่ไว้สำหรับพวกที่ติดสลามในคนไทไหว้พระสมบูรณ์ก่อนเชิญเครอินก็อนนำเอาไว้ทุกๆระ แต่นามบินแหละในประเทศไทยที่ด้านทํานี้เรียกวราสีเกิดข้าวคนหน้าตาดีผิวพรรณดีก็ต้องมีสิ่ด้วยพอจอนจากคนเป็นมัตถิมอคลไหวจากคนแล้ว่านจะความเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วก็ต้องทําใจให้สงบเรื่องไหวราศีของชีวิตอยู่ที่หวัหวอกหัวใจจะต้องไหวร่าส่วนคนจะต้องนั่งกรรมฐานท่าไงหัวจะต้องเดินจงวามได้ด้วย แต่จะไม่ใจเย็นเวลาเราจะตายเทวดาเพื่อนบ้านนี่บ้านเป็นที่หลักที่นอนที่กินที่อยู่ต้องสะอาด น, น้ำอ่านตั้งหน้าบ้านหลังบ้านจะเพืนบ้านเอารางน้ําเท้าหน้าเอาน้ํามาล้างเท้าแล้วก็เทศในตลาดมันจะเดินเหยียบบันไดขึ้นไปก็เรียกว่าเทวดาในบ้านนี้จะก่อใจเทวดาในบ้านก็เรียกวา่าข้าหะเทวดาเคหะเทวดาคเคหะแต่เราบ้านเดือน เรืาองทุบหลังก็มาที่นี่นี่เราไม่เห็นตัวจริงแต่มีเทวดามาชมนุ่มกันเยอะอยูอาคารหลังดอานหรืออาคานี้พอเป็นบ้านเปเรือนประดิษฐ์ช่องน้อยหรือความดังอะไรก็มีเทวดาก็ถึงตรงนั้นเรามาอยู่นี่เทวดารักษาอยู่แค่ก่อส้างเรียงวางของไม่ชอบไปดินเขาต้องมีเทวดาเขาถึงจะ็ิตที่ที่จับที่จับที่ของสาหรับทั้นเป็นก็เมานี่ เทวดาก็ต้องอยู่ทุกสถานที่ของพระเจ้าแผ่นินอยนางสุวรรณจิตก็มีอยู่แล้วก็กรุงเทก็มีที่ภูพิงพองไปจังหวัดนครนครก็ออกภูบาทพอไปภกคใต้ที่นีราที่ว่าก็ตักถินนิเวศพอมาไปตัวก็วางไใจกังวลมีเทวดาครักจายอยู่เวลาไปจจเจ้าไป่ินของจักรีไปสระพิณ เ้าหน้าที่ต้องมีหมดระมัดกะวังดงกว่าเช่นไปผูบิงนี่ผูบิงนีนที่ชุมนุมของพวกนี้มีมากเพราเป็นป่าผีป่าผีโปงผีกูเขาผีผีต้องไร่ต้องนาผีตามใจมีทั้งนั้นผีก็มาอาศัยอยู่ประาชนจะใจไปเช่นาแหล่งในหลวงจะใจไปในหลวงราชการที่9เขาต้ อ, องอให้เจ้ามาปัดวางรัดระวังย้ายผีเข้ามาอยู่ไม่ออกไป ในหลวงเสด็จไปก็จะประทับอยู่ที่วังทีอีสัปดาก็ได้ไปพอท่านเสด็จประทาหนั่งก็มีพระข้ารู้ยที่ก็นิมนต์ไปเป็นพราผู้ใหญ่ในประเทศไทยนแน่มีกันแห่นรงเดชนร ร, นรมราชจะไล่ลงมารองสังเกตชั้นปลอมชั้นดาชัน้นเทพชั้นราชันสามัญก็มีในกลางพระนั่งอาจารย์ฤาษีลิงดาก็จิตอันดับลงไปด้วย แล้วพระที่วัดบวรนิวาสในเวฆเป็นดันงเด็ปเดียนเก้าประโยชนก็ไปนั่งด้วยในหลวงตามพิธีรับถิ่นพอรับเจ็บข้างปวดป้าวะว่าขึ้นมาท่านรอไปเยียพระคุณเจ้าจะไปเข้าออกน้ำหน่อยก็ปไปเข้าอองน้ำนี่ก่อนจะไปท่านสํางพระเอาไว้ว่าํามะ้าข้อนี้ จักรกิจติรสมาธิปัญญาเนี่ยอธิบายว่าอย่างไรเดี๋ยวพระเจ้าเข้าห้องน้ำเลยก็ออกมาข้างนอกจะให้ยูสีลิงดำ ต, ตอ่อพอได้ออกมาถามว่าหลพ่อกำลรมหนาประการนี้คืออะไรพอนี้หลวงพ่อเข็นลึกไม่ได้แค่ถามแค่ต้องถามพระเริงเจ้าเป็น้นเจ้ากันจะบอกผมหน่อย ไอ้กำลังกำลังอานุาจของจิตมีอะไรอย่นี้มีอะไรนะของหน้าว่าท่านของนี้ตอบนะท่านจะไม่ได้นะเดินสัาจะวิยะาติกสมาธิปัญญาแต่ว่าสัจจะพลังมีกําลังด้วยสัาจะวิญญาพลังมีกําลังด้วยความเพียรติพลังมีกําลังด้วยมีสติสมาทิพลังมีกําลังด้วยสมาธิปัญญาพลังมีกําลังด้วยปัญญา ม, ม, นนมือนี่หลวงพ่อวัดจำมงคลธรรมายายที่ก็ดังในทั่วไปเนี่ยจำบาลังจิตจิตาลูก้าเนี่ก็มาจากนี่จำมาห้าขอ้ออะไรอยา่างยงห้าข้อนี้จำไม่ยากเอาข้อที่หนึ่งนะจะิตตานาลามให้เชื่อกรรมเด็ดขาดเราจะดีเราจะดีจะด้วจะถูกจะทุกข จ, จะดีจะจนนีมาจากกรรมเชื่อว่ามาจากกรรมแน่นอนการที่เราจน กรรมขอให้ผลกับเราลงบากเจ้าแข็ปอดจยากปากแห้งเพร า, า, าะเราไม่เคยทำบุญทำทานแต่ที่เรามีกินเหลืออยู่และชจะ้าสุดสบายจะนุ่งจะหมมจะไปยอดไปไปไหนมีเรือมีรอดจากนี้นี่ก็ ม, มาจากการทำบุญทำทานมากจักรารัมปดาหรือจักราพลางังเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเชื่อความกัจจของพระพุทธเจ้า แต่๋ยววัฒนาธรรมชานติมพร้อมด้วยความเชื่อเชื่อว่าตัวเรานี้ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญมาจากกรรมตัวเรานี้กําลังมีรองหมายก่อยู่ก็มาจากกรรมของเราที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เราได้เด็กได้ดีทำงานดีเงินเดือนดีอายุมั่นขันยืนรูปร่างเดี๋ยวไปรูปสวยรวยทรัพย์นับพิจามารยญาติาติพูดีนใจดทเข้ามาจากกรรมของคน ก็เป็นกลอนงองนงเง้าเราตนเป็นกลนใจบาปใจอะไรก็มาจากกรรมกาเชื่อกรรมแล้วตอมันมีพลังจิตที่ว่าเราไม่ทำชั่วจะก่าวในการนี้เพราะเราทําชั่วความชั่วอ็ดิตตัวเราไปชู่เราทำความดีเชื่อจากดวงใจดีกว่ามันจะดีใจดีเป็นนานนานก่อเชื่อแน่นอนก็เลยทําดีได้มากจึงเป็นพลังใจเป็นพลังจิตชนิดเดิมวิญญาณพลังมีกำลังของความเพีย ดังเพียนระวังแม่ใหาปเกิดขึ้นในขั้นด่นสองเพียนรละบางที่เกิดขึ้นแล้วสามเพียนให้กุศลเกิดขึ้นในชั้นด่านสี่เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแนล้วไม่ให้เพลี่ยพอเชื่อมั่นอย่างนี้ก็ทําความเพียนได้เต็มที่เช่ว่ายอมมีความเพียนทำงานที่ทีโอทีทำให้ที่สุดไม่มีใครจะตีเพียรเราได้ไม่มีใครจะสอนเราได้เพราะความดีนี่มันดีอยู่ที่ตัวคน ใครทำีได้มากก็จะคอยเป็นรังของตัวเองมีความเพียดไม่เกียดร้านไม่ไปวันไปปานพรุ่งไม่ทํางานที่บางหยอกหยอแยเพื่อโลเลทํางานเอาจริงเอาจำหน้าที่าำงานตําแหน่งก็เรียกขึ้นมามีอายุก็ยืนด้วยดีว่าพลังของความเพียดพลังของสติใจเท่เจดเจ็ดใจกายกรรมกรรมที่ป่าพู้ตระจระหวังว่าใจเออใจอย่าคิดร้ไรนะ ใจเฉยใจอย่าที่โกรธนะใจเฉยใจโกรธได้อย่าไม่จะบาดนะใจเฉยใจตัวได้อย่าปลูกปลูกอาคติมาแทนมัหมายเกะไก่จาไว้นะหัวใจเลยเรียว่าสอนตัวเองให้มีสตีรู้สึกไว้เสมอว่าใจที่คิดต่อคิดดีเข้าไว้คนคิดจีคนพวกไหนอ่ะคนนี้เรามาโยมเนี่ยคนคิดดีที่ว่าจะนิเวศน์พระมาจะนอนนอนพระมา ให้โอวาทในวันสงการานเพื่อจะลองวันสงครานก่อนที่สงคานจะเปิดเช่อ น, นี้เขาเรียกว่าที่ดีพอที่ดีคนรู้อะไรก็เามาพอมาเขาก็จำบุออนอะไรนั่นก็ออกมาถวายพระอันนี้ก็ไวายระร า, า 5, 000, 100, 000คาบางฟังมยชั้นอะไรแต่เพราะว่ามีกีิกาไม่มีกติกเป็นคนความฟเผอเปื่เป็นคนเพี่ยนเพียนไปบุญก็ไม่ทํางกรรมดีก็ไม่สร้างกงไม่ได้อีก็ต้องมีกติกาด้วยใ้ เอระเลือก้ท so, so, ี่สุดก็อาณาานัตนี่ชเอลอกไ้นี่ดอกไม้ใจ้านี่ดอกไม้ใจออกเจ้าพูดกวตวว่าในใจนะตัวอะไรเหลือเินมันจะออกสิเพราะจะนี่น่ระยอดใความจบคนมีินมีทองเยอะแยะอาจจะไม่ถูกนะแต่ถ้าควาใจมันถูกมันถูกจริง ไม่มีอะไรเลยเลิกจากความสงบที่ความุกเบิกเจากความสงบเลิกที่สุดเรียกว่าได้ยืนดัพอจะลดประการสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้มีสาาาติอานาปณะสติจะเลึกเป็นยอไม่ใจต่หอหมรณานุสติจะเลกงวามตายมาถึงเราเอาจะเลิกถึงวันตายดีถรงไหนดีดีมันไม่ปรม า, าเราเกิดมาตายอะไรก็ต้องตายแน่ๆในวันใดวันหนึ่ง ก่อตายกันทุก <You> ว <fit> <history> cool ันเกิดทุกวันเราแล้วเข้าตายถึงที่สุดก่อนที่ตายเราจะําำติว่าความตายเป็นของประจํากับร่างกายสังขารมวลเสบ่าตงมเหไ็กเจ้าหัวตะจุระจอมเก้าเจ้าหัวนี่เกล่าวทัานเป็นกัปชั้นแต่งโครงตีสูกภาพว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบายมวยบ่ายเลืนเลื่อนไรรวยเย็นดับที่แดง ยามเย็นเล่นกับลูกด้วยทำมวยบรอนนี่ข่าแต่เองและข้าก็องเตือนตัวเองด้วยว่าเราเป็นเกษตรเราไม่ไม่พ้นจากจะไม่ตายจะต้องตายแน่นอนการเจิดเป็นพระพระเจ้าแนดินที่ดีองค์เดินติ์ตรงถินตรงตามแม้ที่อาหานี้ตามประวัติพระองค์แต่ม่เลื่อโดยการที่หน้าท่านชื่หวัดนรนายกใสยไปไกลทีว่าเมืองบ้านเมืองไทยต่อต่อไปจะต้องแก่อะไรข้างหน้า ท่านมีปืนปูนฐานปูนฉาญไว้นาจะกาญนี่เป็นกนคิดด้วยที่เริ่มทําด้วยกานเป็นกระดานที่ยิ่งใหญ่อย่างไนชื่อหนาใหม่ว่าปีระปียาน่าระจะเป็นดินที่น่ารักเกินนรับที่ท่านไปถือตัวท่านทําประโยชน์ให้กับเมืองไทยท่านว่าเร่าแล้วหมายตา จ, จากเพื่อนไทยต้องเจริญทีก่เจริ น, นป้าผ่านด้วยซ่านี่อาจารย์ มาปรนั้นมาจากใครมาจากพระเจ้าแผเนดินองที่งามการคิดว่าเราข้องมาเปอนไปต้องดนว้ให้ลูกหลานเราลูกหลานที่เป็นตาจาประการลูกหลานที่เกิดมืให่ประการยามยจนค้นแกนเราจะประเมินไปก่อนเดินให้เป็นคนที่อนใจได้เื่ายามทกเหตุอะไรเกิดขึ้นตะก้อ น, น, น, นเมืองเกิดมาโรคไข้มาหนี จะต้องเอาเงินของท่านมาใช้ได้ที่อาจารย์มามวสทําไยตั้งแต่ท่านซื้อประกันไปไม่มีใครที่จะทำค่าป่ายเพื่อชาติอาจารย์มามัวจริงแล้วพันสามต่อจากเพื่ไปาินปเององพิธีน่านยังได้ทำค่าป่ายเพื่อชาติได้เงินได้ทองได้ดอลลาร์ได้ไรโอ้นับเป็นเงินแสนล้านก็ยังอยู่ในธนาคารกรุงเทพอย่างนี้ยวันไหนวันเมืองลูกเกงไม่มีเงินจริงพราะการนี้ใช้ได้ เลียงโูกเหลียวหลานทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นศัชนาวิสัยของพระเจ้าแผ่ินราชการที่หน้าท่านเจเหลียวจลาเในความสามารถทั้งคนแต่ไม่ใช่ว่าพองอื่นจะไม่เก่งเก่งเหมือนกันแต่ในที่นี้เราพูดตรงนี้ต้องพูดว่าตรงนี้เกิดจากราชการที่หน้าที่อวมาใช้ประโยชน์ประโยชน์ที่ลูกหลานมาทํางานได้กินได้อยู่และกินได้ใช้ท่านเป็นเจ้าบพญในคนใยิ่งใหญ่เมื่อกี้เราถามเจ้าหน้าที่ว่า ร, บบราบดอยใจอย่ารับไปที่ใจรับของพระเจ้าอยู่มรดกานี้มีไหมแกว่ามีกำมือไหวโยมเป็นอนุสรยิร่งใจ ท, งท่น้ปเน่าชันสูงด้วยยศษาบรญดาดอบด้วยนางกระไรก็สูงส่งเป็นคนที่หน้าตาไม่ถึงตัวแะเด็ดไปไหนก็เป็นกันเองกัเป็นญายินเราถึงถ้าจวนโที่สวนโอนนะท่านนวลในวันสงการนี้เพือท่านไปเขียมลงไปทาอย่างนี้ก็ได้ขอเกนก รับคุณปกครองรับคุณเจ้าอันสูงทรงข้าไปเจ้าเป็นลูกเป็นหลา น, นเมือง น, นี้ได้กินได้อยู่กับสถานที่นี้ขอเอาที่ส่วนบนให้ถึงพระองค์ท่านดวงพระวิญญาณถึงสถิตนักสถามไม่มนใดจงรับทราบรับรู้หมองฉันข้าไปเจ้าขอทีส่วนบนไว้ให้ด้าให้ท้านได้ยืมดำออนใจรอดแห่งบนให้เกิดอยู่ในที่สูงในคนจากทุกไปทุกอย่างถ้ า, ากลับมาใหม่ก็นาเกลเจริญให เราจะเกิดการศึกษาในการต่อไปก็ได้บนโลจิสติกส์ตีดำไปลงในฐานที่ททททเขียนชื่นอนี่ยอมยันนักกว่าไม่มีความหมายบนโลจิสระบุชื่อก็ว่าอย่างนี้นี่โบเราย่าตเรานี่กนที่เรานับถือนี่หลักที่เรียนไหวไปเกิดพระพเจ้าก่อให้ส่วนบนไปว่าในใจชื่เขียนลงใ้กระดาษแลวก็ ไ, ไม่พลาด อ, า อ, าอางค์สกุลนักเก่าอภให้เจักรดังกระดาษถูกละโจรเขาเรียกว่า โอเจตให้เทวตาเทวนารีด้วยปกแปรปกปรีปกป้าเปรีปกบุาเปรีจรีโอเทตไห้แกจัดต่วนเพื่อเกิดแกเจ็บตายที่ทางโอเจศไปนี่เหมือนโทรศัพท์มันโดนระลึกเลยว่าโทรศัพท์ไปว่าดวงวิญญาณคนนั้นอยู่ที่ไหนที่ชื่อนั้นคนที่อยู่โลกเราก็ตอบมได้ว่ารับรับแนวรู้แ้วแล้วก็ขอมบนกุศลทีโอเจตสวนบนมาให้ ก่อให้น่านอยู่เย็มเป็นสง่าตรรมวนไปก็คือให้ความดีเขาความดีเขาก็ได้เรากรรมดีก็ได้ดีนำไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉนังกรรมดีโดยการะยู่ที่สวนวนนี่เป็นน้ำใจกับการอยู่กับเจริญที่ต่อไปนิ่มต่อผู้คนต่อมารดาบิดาการรับพ่อรับแม่พ่อแม่ราหมายสายจากข่าใอย่าเมินเฉยไม่าำต้องการบูที่ไปโปรยบ่นี่จนวันนี้ทํางบูที่ไปแล้วเต็มกันมีเชื่อทุกคนวิญญาณยังเหลืออยู่ ร้างตายจะหลายไปด้วยพลยพลวนก็นเขาไปหมดแนวแต่ใจคนไปขอไม่ได้กานเก่งไปอยู่ยามศึษาเงินเดิมแล้วแตการที่ตรงไปเพราะฉะนั้นวันนี้การได้าบุญบารมียิ่ยงใหญ่ขอบุญบารมีนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ตาปกปักรกักษาด้านให้จบสามัญด้วยอายุวรนนะสุขกันนะจริงไรเป็นความดีกลดเหือบชนอชนะความโต เป็นไรเป็นความร้ายเป็นความทุกข์เป็นความยากเย็นเกเินใจจงบวชไปขึ้นไปในตัวด้านความดีอะไรอายุวันนุ้กุขภาพนะาลาบยอสชนะเจอและความทุกข์ทุกขีพิการจงบังเกิดเก็บนา่งการของ ด, งด้านทุกๆคนเธออาชีพทำงานอยูร่รอนานนานจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเวลาเป็นปี เมื่อก่อนสม า, มาตามนของเจ้าหน้าที่มาตรวจมนอาจารย์นี่กมีโรคร้ายเกิดขึ้นก็ระบาดต่อเนื่งไปทีนี้จะฝากอะไรว่าจะอยากกับย่างโด่ในทางที่จะถามคณะถามเองจะตอบเองว่า <c oughs> อะไรนะในร่องนี้จะมันเร็วที่สุดยอมตอว่าใจมันเร็วประทุกแต่ว่าใจดุใ่นั้นเราห่า น, น ฟังบอกดีกว่านุยานหานนเป็นจรวดที่เร็วเถิงเร็วพ่าไอ้จานอื่นยังเร็วกว่าสายอานิบาตรหาจะป่าเรียบป่าลงมาถูกวัวถูกว่าใจควรมันเร็วตาที่เย็นก็เร็วโอ้ที่ควันก็เร็วจะหมูกร้องเป็นเลี้ยวรสหอมหวหวานเนี่ยหอมหอมยังไงมันก็เร็วลิ็นลิ้นกินรสหวานมันเต็มกระลุ่ยเร็ว กายกำปัจเจเนียนอมแสงกรู้่เร็วตาที่เห็นกระลุ่เร็วว่าอะไรเป็นอะไรนี่นั่งๆวันเร็วตาเป็นนรกนั่นผู้ยิงนี่นี่นี่ผู้ชายนันั่นบบโจหน้าต่างนี้นั่นก็เะ้าวอีเียมันรู้เร็วใครดูใร้ายมันยังรู้โต๊ะร่างกายอันหล่ออันหล่อต่างว่าทางโาณใครสามันยังรู้เร็ว โซดาตัดโซดาเลตหรือว่าเทปโซดาคราฟนี่ป ร, รากวดคราเป็นพวกมันก็เร็วถามยองว่าอะไรเร็วกว่านี้นิ่งหมือนจะเปลี่ยวนี่จะตกจะเล่าเรื่องราบอบมีพระราชาองค์นึ่งตัานดื่มน้าจานจะกินเล่าทุกวันหนึ่ง <c oughs> ประชาชนจะเดือนก็ไม่ได้เพลงไดท่า น, น <c oughs> ถ้าไม่เตือนก็ไม่ได้ ้าดีต่างๆมาเสนอขึ้นมาของเราอ่ะ้าดีเรื่องคนข่ากันใจแต่ว่าอะไรนะไม่รู้เรื่องนะข้อมองในบ้านเมืองยุ่งจําในประเทศนั้นการทางานแรบพุทธเจ้าเราน้นเกิดเป็นพญาโยมทองอยู่ในป่าอยู่มะพรานเป็นจากที่มีบุญเราเป็นแบบพุทธเจ้าต่อไปก็รู้ว่าพระราชาในโลกนี้ใร้ายที่สุด ถ้าประชาชนเมาจะโแกรหจักถ้าเขาเมา เ, าเองมัรจะจะะับแกหนเพราะนั้นเราองเดียวแนี่เราผู้เดียวจะต้องไปช่วยโดยบินมาจากฝ่ายเมื่อวานบินมาจังหวัดเชวียนรอบเปรตปุเวีเเยงวางอยู่ประชาตอนนี้มันสามเมากว่าจิงอาบัญจรนหรือหน้ากลางกำลองเห็นนกก็ถามพวกอธมหานนั่นอะไรบอกนี่เป็นนกยูง เป็นปัญญาดูพอเป็กเป็นทองคาหน้าตาปัจจุนด้วยเป็นปญาแล้วก็มีแววที่งามเชื่กว่ามีแววที่เป็นเดวมัแวววายุราแวววยุราแววแววหวานมันสวยท่านก็ถามว่าไอ่นกอิู่มันชจ้าต่างไงก็บอกมัาเจ้ารำเรียว่าราแพรทํอย่งไรไอ้รำไม่มาให้เราได้ก็ไปหานักปีติมาดีดดวนหญิงตีเอง รองเพลงรอบๆนเสียงี่นะอามองร้เรลงประจานเสียงด้วยเขาก็ไปเอาดนีสตรีนิสมาราชินีรอมันมันนั่งอย่พอเขารเลงทนั้นมันรองขึ้นไปแล้วดัมเพิร์ิกอยู่บนตไม้ระชาชนทายังไงจะกดไอ้มหาได้เขาบอกว่าเอาเพลงมาร้องกหถึงได้นียไอ้พวกเพลงบรเลงเสียงบันเลงเพลงดนตรีเปดีอะไรมา ทำการเราเสียงที่ประดำก็มีมาพอบินนาก็ตั้งคพรกไปเผื่อที่มันมันเกาะได้บางที่มันชอบเสียงบรรเลงเนี่ยมันลืมไปว่ามันามาอยู่ใกล้ประดาประดาไปย่อมาไปย่อมาไปออกมือมาถูกที่เอกมาไปถูกที่หัวมากลูวหัวโอ้เจ้าสวยจริงๆนะอ่ฝนสวยมาจะเป็นวันเสด็จด้วย พอน้อกรู้ตึกตัวโอพระาชามาถูกวเรานี่น้องกเลออยต่อยไปน่ยพระราจาว่าไม่ต่อตัวรเราเป็นพระอาาที่มทาที่ยวระเทศอวดดีอนี้นะแล้จะมาทาไมน้อบอกว่ามาเพื่อทา่านเนี่เอาเพื่ออะไรล่ะต่อมียน <c oughs> ี่ยกานช้นะวเลยชิ น, ช น, ชนาวานไแต่อาจารย์ี่พูดอะไรตรงจินตบจริงานทำไม่ี เป็นตัวอย่างของประชาชนเจ้าแหวนแว้นต้องทําตัวอย่างไอ้ที่ทักษงเลิกตัวเลิกไม่ได้มันก่อความแรงแล้วนี่มันมันจิตได้หมาถ้าไม่เลิกเราไม่มาต่อไปเราจะไม่มาหาที่นี่ประชาชนวามนี่แกละนอกแกว่าเอ้าเลิกแต่เป็นเลิกเอาถ้าเลิกจแเลิกจริงๆนะแกต้องดูกับเรานะนอกบอกว่าถ้าว่าย่ออยู่ว่าเมืองไม่ได้ต้องไปป่าแกว่าทำยังไงล่ะ พอให้ั้งคิดถึงเรากันนอกโยนจองนอกยอมราจะบินมาอย่างดีเพื่อมามาพูดมาคุยกันราจารย์ก็เลิกเลิกเดินล้างใจนายโยมพอต่อมาตัางแา่ว่าตัวเก่งเทไรตรงนี้เรื่องทํากันกวนอะไรโยมนกบอกว่าเขาเปเจ้าบินเร็วบินเร็วกว่าแตอาทิตย์ขึ้นบอกว่าบินเร็วกว่าลูกกระโุนที่เขายิงไปยจับลูกกระโุนตามอากาศได้ บินเร็วกว่าสายกว้ากว่าจะกว่าผ่าบินเร็วกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นบอกความจะเรื่ไปยังกว่งโน้นไปขัดจังหวะพรวดเร็วเหมือนกันนอกบอกว่าาไม่เจ้าทำความเร็วได้กว่านิจจะบินบินเร็วกว่าแสงอาทิตย์บินเร็วกว่าสายกว้ากว่าบินเร็วกว่าลูกกระสุนอะไรที่เร็วเนี่ยลูกก็พระเจ้าทําได้ประชาชไม่เชื่อนอกบอกว่าเขาไม่เชื่อ ถ้าไปหาคนแม่กปืนมาจากพวคนนี้ให e ้จริงข้าพเจ้ายิงเผาขนเลยข้าพเจ้าจะติดเก็บลูกกระสนกราสรมาศได้ลูกกระสุนกาลังกุ้งแรงในโยมความเร็ง็มีความเร็วมันจับได้นะเขายิงลูกกระสุนมาบอกพวกลูกนกคว่าทีเดียวเองปราจาว่าเอ๊ก็ยิงระยำเพรายิงกันนานแล้วเพราะความเร็วของนกที่มันจับลูกกระสุได้เนี่ยอด ทีพระเาจาเราโอ้ไม่เคยพบตัวเห็นด้ว้ยแล้วอะไรมันเร็วกว่านี้่ะนักบอกว่าความเร็วกว่านี้ยังมีในกัวได้เนี่ยแต่าชาวพเจ้าด้วยเป็นมนุษย์เนี่มีความเร็วอยู่เร็วกว่าหัวใจก็ใจมันเร็วนื่อกับภาษมันโยนโยมแต่อะไรเร็วกว่าเร็วกว่านั้นน่มันเร็วจริงๆยมลองต่อเองว่าอาจามาจะพูดใจนจักรงกันไหม แช่วลาท่านเดินนาทีที่อะไรมันเร็วเร็วกว่าอะไรเร็วกว่าคว่าคว้าเร็วกว่าสายเห็นวกว่าลูกกระตนนี่อะไรมันเร็วค่าวินี้ตอบนะความแกโยงมันเร็วกว่าอะไรนี่แต่เรามองมันไม่เห็นเลยเราไปเห็นตัเมื่อผมขาวเลยว่ามันเดียวดีว่ะมันรวดล้วว่ะมันเร็วตั้งแต่เกในครอบแม่ในวันแกเด็กแล้วก็ความเร็วนี้ไอไม่มียารักษา โรคไปเร็วโรคัปจาลาโรคนี้ยังไม่มียารักษาต่อยหมอที่ว่ากุมารรกษาแต่รักษาไม่ได้พระมันเร็วที่ตัวความแก่ยอผู้หญิงผู้ชายนาตาดีๆหญิง้วยหัวดีนั่งอยู่นี่นึกมาขาวมเป็นแต่ดีใจไหมเคยวิ่งเล่นเด่นตรงน้ำอยู่กันนั่นเดี๋ยวนี้ทำไมเปนมาเั็นขั้นนี่แล้วล่ะทำไมขาวหมดเนี้น่ะทำไมสวงารเว่นเลยล่ะทำไมจะต้องเดินกาไม่ปวดหงแยงลยใช่ ความแก่เนี่ยความหยาดามันมาเร็วกว่าจิในใดในไหโลกเพราะเมื่อดู้อย่างนี้แล้วอย่าเมย์เตรียมตัวว่ต้อนรับสถาน ก, การณ์ที่จะแก่กว่านี้ต่อไป <c oughs> ถ้าจะมาดูเรื่องา น, า น, นี้เตรียวมานแล้วอย่างนี้ขึ้นเก้าพิษกว่า อ, อ, อ, อูไม่ไหวแล้ ว, <c oughs> วแต่ตเมืเ่อแดดกระเวี้ยวแรงแจ่มแจ่มมาก็เห็นมันเร็วจริงจริงก็ ก็กกกกจะเปลี่ยนแน้รว่สุภจแต่าะไรตั่วายนเดินแ